ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทียตามตำราเราคอยฟังคอยจด จ, จนนําำชนมากกันเทีเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ไปจนศรัทธาเนี่อธิบายศรัทธาไวจ้จนเป็นสายยาเวเหยียดเห็นวิริยะความเพียเพ้ยนเพี้ยนยังไงบ้างหรือบ้าไปจนกิ น, นหนึ่งขันแหน่งหนึ่งนิ่งจบเรียกว่าจะได้กันหนึ่ง นี่จิตก็ต้องติดตามไปหรือไงนี่ยกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิยะเป็นต้นมันก็เป็นกันหนึ่แล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ตาปดผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธการท่านแสดงธรรม ท่านหลังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนําไปข้อนําไปเป็นข้อคิดเพื่อพไปปฏิบัติในส่วนที่คุณปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงตากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่า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 คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรหลายนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเื่องกับสิ่ง น, นั้นๆที่เรากําลังท่องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อสี่จะทําความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเสรีงเดี่ยวก็หลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทําความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ในสี่ข้อนี้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 พราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเหล่านี้มันเป็นเรื่องคล้ายถึงกันพูดทางน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนๆกันฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลก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 คำได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีทํารรเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้จากสิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือน อาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจชวนทำคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนา ม, มัตธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรม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 ทั้งๆที่เดือดร้อนอยู่ด้วยความสังคมที่โลงนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี้มันนิยมได้ทุกแน่ทุกมุมอะไร้ก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คาหนึ่งถือเป็นความชอบชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องความวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็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 ว่าอยู่ตามโลกตามนกสานตามด้านประตูต่างๆกว้างแคบเพียงไรกิจกระจายไปหมดแต่าหาันตัวจริงไม่ได้อมีผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบําเพ็ญทาง จ, จิตใจที่เรียกว่ัชรณะเข้าไปโดยลำหนะักในเบื้องตน้นเราก็กําหนดภาวนาดังที่ว่า น, นี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบตบขึ้นมาในขณะที่บําเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบ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 เครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะให้พูดผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตอนนั้นมีแก่ใจมีความกระยิ่มมีความดุดดื่มในอันที่จะบําเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลาดับทีนี้ความภาคเพียนก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสาคัญ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 นี่ยอมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องศรณะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสําหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดจนอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มทัศน์กำลังความสามารถมาโดยลําดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อปํารุง รักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจําเป็นที่ท่าต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจําเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บรรมเป็นดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลําดับดับๆจนกระทั่งสาระสําคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้จิตเป็นจิตน่ะ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 ถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พื่นของจิต ด, ด้วยอํานาจแห่งธรรมหรือด้วยอํานาจแห่งพุังาความดีทั้งหลายมีคิกะภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลําดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความจิ่วเนื่องมีความสัมปัสสัมพันธ์มี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 มีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกรานกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็ น, นชั้นชั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกีย่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือขันห้าน่ะขันห้ามีอะไรขันห้านี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดา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 ขึ้นมาโดยลํำดับตามครูอาตามาจานที่ท่านแนะนํต่างสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบําเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลําดับลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาทั้งขาหมิงยานนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลําพังของมันเองนอกจากเราประยึดถือมันเท่านั้นเนี่ยให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้น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 เวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนีุ่ดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งทั้งขานทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งๆต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองี่แยกแยะ ก, กันได้โดยลํำดับนี่คือการสร้างที่เพิ่งสร้าง หลักให้จก่จิตใจปันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสินอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คายออกได้หมดโดยลําดับลำดับตามอำ น, นาจของสติ ป, ปัญญาที่มีกําลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีจึงใดที่จะเอาแทรกสินจิตใจได้แม้แต่จิตแช้เองซึ่ง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 รวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาบทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ดล้วนนะคําว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคําว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคาว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดี และจากคำวมบาปซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ทต่าำในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมาชาติที่กลางเรียกว่ามัชจิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชจิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเลย น, นี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสมาพิธิปเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธ เป็นมัชฌิมมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี้คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติธปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นนับถือศสาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดทันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉะนันขอให้ท่าน พุทธศาสนกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บงเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรตันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แลจะเป็น